ผลกรรมดีที่ใหญ่ยิ่งกว่ากรรมไม่ดีสามารถตัดรอนผลของกรรมไม่ดีได้ทันเวลากรรมดีที่ใหญ่ยิ่งกว่าไม่ดีนั้นสามารถตัดรอนผลของกรรมไม่ดีที่ได้กระทาแล้วได้ทันเวลาเช่นเรื่องของท่านพระองคคุลีมานท่านค่าคนซิเป็นร้อยเป็นพัน นั่นเป็นกรรมไม่ดีที่แรงไม่น้อยแต่เมื่อท่านได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธดำรัสเตือนเพียงประโยคสองประโยคจิตของท่านก็ประกอบพร้อมด้วยมโนกรรมอันดียิ่งทันทีพร้อมกันนั้นกายกรรมวจีกรรมของท่านที่ติดตามมาก็ดีพร้อมเป็นกรรมดีที่ใหญ่ยิ่งยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ท่านได้กระทาแล้ว ดังนั้นผลแห่งกรรมไม่ดีของท่านที่ทำแล้วก่อนก็ถูกตัดรอนขาดสิ้นไปท่านสามารถหยุดกรรมไม่ดีได้โดยเด็ดขาดและสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์สิ้นภพสิ้นชาติอันนับเป็นผลที่ใหญ่ยิ่งสุดของกรรมดี ความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของกรรมท่านพระโมคคัลลาพระอาหารหันตะอครัสาวกเบื้องซ้ายนั้นท่านยิงด้วยอิทธิฤทธิ์ท่านนิพพานเพราะถูกโจรทุบหลังจากที่ท่านพยายามหลบหนีอยู่แล้วนานแม้ท่านจะหนีต่อไปท่านก็ย่อมทำได้เพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศ ล่องหนหายตัวท่านสามารถทั้งสิ้นแต่ท่านก็ระลึกรู้ว่าได้ทำกรรมไม่ดีไว้แล้วในอดีตอันเป็นกรรมใหญ่ยิ่งนักดังนั้นเมื่อท่านปรงใจที่จะรับผลของกรรมที่ท่านทำแล้วนั้นท่านก็ยอมให้โจรทุบจนนิพพานนี่คือความยิ่งใหญ่หน่ากลัวของกรรมท่านพระมหาโมคลาท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านยังต้องรับผลแห่งกรรมไม่ดีมีหรือที่แม้ทํากรรมไม่ดีแล้วเราจะพ้นจากอานาจของกรรมไม่ดีนั้นได้กลัวการทํากรรมไม่ดีให้จริงใจจะได้ไม่ทํากรรมไม่ดีจะได้ไม่ต้องมีเวลารับผลไม่ดีแห่งกรรมไม่ดีมากมายต่อไปที่ทําแล้วเป็นอันแล้วกันทําใจดังท่านพระองค์คุลีมาน หันเข้าหาพระพุทธเจ้าให้เต็มที่หยุดกรรมไม่ดีให้เด็ดขาดให้ไดมรรมนน้มือแห่งกรรมนั้นน่ากลัวยิ่งนักมือแห่งกรรมนั้นน่ากลัวนักและไม่เห็นแม้เมื่อมือนั้นกําลังเอื้อมมาจะมาถึงชีวิตเราแล้วก็ตาม เราผู้ไม่มีญาณพิเศษก็หาอาจรู้อาจเห็นไม่ใครก็อาจรู้อาจเห็นเพื่อช่วยเราได้ไหมต่อเมื่อกรำได้คว้าเอาชีวิตของเราไปแล้วนั่นแหละจึงจะหวั่นไหวเศร้าโศกจึงจะพากันทําบุญกุศลอุทิศให้ด้วยหวังให้เป็นการช่วยให้มีชีวิตใหม่ที่เป็นสุขสมบูรณ์ที่ถูกนั้นควรมั่นใจได้ว่า ทุกคนมีมือแห่งกรรมไขวคว้าและกรรมไว้และนำไปทิศทางต่างกันแล้วแต่กรรมที่ได้ทำแล้วต่างๆกันที่ทำกรรมดีไว้มือแห่งกรรมนั้นจะนำไปสู่ที่ดีที่ทำกรรมไม่ดีไว้มือแห่งกรรมนั้นก็จะนำไปสู่ที่ไม่ดีผู้มีปัญญาเมื่อมั่นใจอย่างถูกต้องในกรรมเช่นนี้ ก็เหมือนดั่งเห็นมือแห่งกรรมกำลังพยายามไขว้คว้าชีวิตอยู่ย่อมเร่งหนีมือที่จะนำไปไม่ดีจนสุดความสามารถมีความหวาดกลัวเป็นกำลังให้วิ่งหนีได้เต็มฝีเท้าเมื่อถึงเวลาเข้าจริงก็จะตกอยู่ในอุ้งมือแห่งกรรมดีซึ่งไม่มีอะไรน่ากลัวจะมีแต่น่ายินดีเท่านั้น ทุกชีวิตล้วนอยู่ในมือแห่งกรรมการตายหมู่จำนวนมากในระยะนี้ที่ไม่ค่อยเคยปรากฏในบ้านเมืองเรามาก่อนน่าจะเป็นผลดีแก่จิตใจผู้อยู่หลังทั้งหลายไม่มีผู้ใดหนีพ้นมือแห่งกรรมต้องพบด้วยกันทุกคนมือแห่งกรรมย่อมกรรมทุกชีวิตไว้ได้ในวันหนึ่ง เมื่อเวลามาถึงเราเองทุกคนก็เช่นกันการตายที่พร้อมกันไม่ได้หมายถึงชีวิตในภพภูมิข้างหน้าจะทัดเทียมกันกรรมที่ต่างทำไว้ไม่เสมอกันจะนำไปคนละทางสุขทุกข์ดีเลวสูงต่ำต่างกันตามแรงแห่งกรรมอย่างไรก็ตามกรรมทางใจคือความคิดทางใจ ก่อนจะตกอยู่ในอุ้งมือแห่งกรรมที่จะนำชีวิตไปนั้นสำคัญนะักกรรมนั้นจะนำไปเป็นแรงให้สวยผลแห่งกรรมนั้นเป็นลำดับแรกดังนั้นในยามที่ต่างก็กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่นี้ท่านจึงสอนให้มีพระอยู่ในใจให้คุ้นเคยกับพระด้วยการภาวนาพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆไว้ให้เสมอ ยามที่ต้องตกใจหรือต้องทุกข์ทรมานเพราะมือแห่งกรรมมากรรมชีวิตไว้ก็จะมีพระอยู่ในใจตามความคุ้นเคยที่ทำมาเป็นประจำแล้วเป็นกรรมที่ดียิ่งทางใจมือแห่งกรรมดีมีแต่จะพาไปดีเท่านั้นมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพุทโธอยู่ในใจถ้าไม่หมดอายุ โรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุแม้ร้ายแรงเพียงไรก็จะไม่สามารถทำลายชีวิตได้ถ้าหมดอายุก็จะได้ไปสู่สุคติจึงควรนึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาพุทธโธไว้เสมอ